อามาเพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดระยองเมื่อวานก็ออกจากตรงนี้ไปตอนหกโมงเช้าแล้วก็กลับมาถึงมาอคืนตอนเที่ยงคืนเห็นการเดินทางเนี่ยมันก็มีรถยนต์มันก็มียานยานพานะ ขนส่งเป็นการเดินทางและภาวัตถุรัวรรมก็เข้าถึงสู่จุดหมายปลายทางได้อย่าง ป, ปลอดภัยมีทางเดินเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราสวดกันแล้วระนาของการมีสติ มีลักษณะของความเพี่ยนมันก็จะเป็นลักษณะของการเดินทางที่มีส่วนประกอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทําให้เดินทางแล้วก็ปลอดภไปลักษณะของอริยามรรคมีองแปดจริงๆแล้วมันเริ่มต้นด้วยปัญญาคือสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นตรงแล้วเป็นความเห็นชอบเมื่อ เ, เห็นตรงเห็นชอบ เห็นดีมีความถูกต้องเกิดประโยชน์เรื่มกันกคือมันมีประโย ช, น, โยช น, ออน์ประโยชน์ต่อตนประโยชน์ต่อท่านตรงนี้หละเราก็ดำลิศที่จะทําอะไรก็ตามให้มันเกิดความปาสุขผลนทุกต่อไปในเพราะวการปฏิวัติธรรมของเราเนี่ยนะเราใช้ความรู้สึกตัวที่มันมีอยู่ ต้นตะวัวตัวเต้ามันมีกายมีใจใกายใจของอะไรเนี่ยมันคือตัวชีวิตถ้าเรารคิดดีๆวาดดีๆหรือว่าทำให้มันเป็ น, า น, านวาสนาวาสนาคือขีดเขียนเอาเป็นสู่เป้าหมาย ดีๆคือเป้าหมายคือดับทุกข์มีทุกข์ก็ดับทุกข์ตัวพลกายตัวปัจจัยเราเคยผ่านประสบการณ์ร้อนหนาวผ่านฤดูกาลมามากมายหลายปีติดติกันเราก็ใช้ลหกษณะของประสบการณ์ที่ผ่านมาสรุปสรุปว่าเออ เรื่งของความสุขที่มันกลายเป็นความทุกข์นี่มันมากเท่าไหร่แล้วความคิดที่คิดแล้วก็เป็นทุขคิดแล้วก็เป็นทุกข์นีมันเกิดขึ้นมามากเท่าไหร่แล้วคิดแล้วพอใจคิดแล้วก็เสียใจตัวกลตัวจิตตัวความคิดมันอยู่กับจิตจิตชอบหลงไปคิดแล้วก็ปรุงแต่งโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ตอนนี้เราเลยสรุปให้เป็นภาคปฏิบัติการที่โดยพอมารวมตัวที่วัดป่าสุกโตแม้ร่างชาวจีนก็เหมือนกันก็คงจะมีเป้าหมาย ต, งตรงๆต่อชีวิตของเขาก็คือมาดับทุกข์หรือว่าท่องเที่ยวถู่โลกกว้างในวัดป่าสุกโตมีวิธีการมีบุคคลแล้วมีแล้วของสถานที่ที่มัน มั่นใจได้ว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังได้สัมผัสอาจจะมาพัฒนาต่อยอดจนต้งเดินเข้าสู่จุดหมายปลายทางที่วาดหวังเอาไว้เรามีความสําเร็จจะมาจะน้อยขึ้นอยู่กับว่าตัวใครตัวเราที่พาตัวเองเดินทางะติดขัดว่าหลงทิดหลงทางหรือว่าแวะเยู่กับตรงไหนกัน เราจะปลักได้ต ร, ตรงๆคือการที่เรารู้ความรู้สึกที่กายแต่ละขณะเราเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงนะความจริงมันมีอยู่ก็คือเห็นพระไตรลักษณเห็นการเกิดดับเห็นทุกเรีสตรสีที่มันเกิดขึ้นมาลักษณะของกายเราเราเห็น แต่ไว้เห็นไม่ถูกก็เขายึดเนี่เป็นความหลงเห็นและเห็นถูกมันก็เป็นแลน้วนะของคําตอบของชีวิตเราว่ากายมันไม่ใช่กายที่เราวควรยึดควรถือเป็นกายศรัทธากายยกมือยกเฉยๆ ย, ยกซื่อๆหเห็นอาการเคลื่อนงานไหวเป็นอะของวัตถุอาการลำเป็นความจริงจริง ๆ, ๆขณนาดเ่อนแต่ละขนา มีเก่งมีกายมีไว้มีนิ่งมีกระทบมีสัมผัสเราเห็นกายในกายกายดุนก้อนกับกายที่เป็นความรู้สึกเบื้องต้ น, ตนเห็นเวทนาปรากฏขึ้นมามันไม่ได้มีกายอย่างเดียวมีเวทนามันมีสุขมีทุกข์มีนะสัญราณภัยที่บงบอก ตรงความเป็นปกติความผิดปกตินะการใช้งานการทําหน้าที่ต่างๆมันจะเกิดอา ก, ก, การต่า ง, างๆที่เรียกว่าทุกขเวทนาขึ้นมาสุขเวทนาขึ้นมาหรือว่าไม่สุขไม่ทุกขนะ์มันก็จะแสดงออกขึ้นมาเราเห็นเวทนานะสุขทุกข์ไม่ไดาวเป็นความพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบทุกข์ไม่ชอ บ, ชอบสุขชอบ เรเห็นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานบางทีเขาบีบเค้นนั่งนานๆเจ็บปวดเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาจิตก็เกิดการปล่อยวางเงินหมามันก็วางก็มันเองแต่ว่าก่อนที่มันจะวางก็คือรู้สึกรู้สึกอาการเหล่านั้นเห็นเวทนานในเวทนาในสตัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเวทนาเป็นความบริสุทธิ์ จิตที่ไปเกี่ยวข้องกับเวทน า, ามีสติมันก็ระ ล, ลึกรู้อาการต่างๆได้ตรงแล้วก็ถูกต้องต่อไปก็เป็นความจริงมันก็แสดงออกมาคณะต่อขณะเป็นระนณะของปรากฏการณ์ที่มันเป็นตัวชีวิตของเราเหมือนกั น, นเป็นความบริสุทธิ์แล้วเราก็จะได้เห็นอาการต่างๆนะ ที่เกิดไปในจิตใจของเราด้วยไนมะ่ว่าจะเป็นอารมณ์ต่างๆหรือว่าความสุขความทุกขนะ์มันก็จะแสดงออกมาเหมือนกันไปในจิตใจของเราที่พื้นที่นะีมันก็เต็มไปด้วยความว่างเหมือนกันพอเป็นปลากฏออกมาเราก็เห็นละมันไม่ปกติเดิมทีเราอยู่กับความปกตินะปราจะจาก รูปลอยต่างๆที่มันเป็นลนักษณะของการคิดหรืออารมณ์ที่มันจะปรากฏขึ้นมาเนื่องจากเรามีความรู้สึกตัวอยู่มีความเป็นปกติอยู่แต่พออาการมันเกิดขึ้น ม, มันปรากฏขึ้นมาเราก็ได้เห็นแล้วอ๋อลักษณะของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติธรร ม, มะมันก็แสดงออกมามเห็นอาการของความคิดเหน็นอาการของ อารมณ์ที่เกิดจากการคิดการปรุงการแต่งเราจะเห็นธรรมชาติธรรมชาติของจิตธรรมชาติของกายธรรมชาติของภายในของภายนอกธรรมชาติของสติสมาธิปัญญามันเป็นตัวธรรมะมันเป็นธรรมชาติจริงๆจะไม่ใจสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาตัวนี้มันก็ยึดถือไม่ได้เหมือนกันมันก็เลยเป็นไปได้นะ ลัณะของธรรมะปฏิบัติเป็นไปได้พิสูจน์ได้ท้าทายได้มาดูเถิดมาดูเถิดนี่ตรงนี้แหละก็คือสภาวะที่เราจะต้องฝึกหัดจนกระทั่งมันจำนานเป็นประสบการณ์ตรงของใครของเราจะเป็นญาณขนส่งทำอะไรก็มีความชัดเจนแม่นยำทำอะไรก็ตั้งมัน่นไม่โลเลยไม่งอนแงนไม่ควอนแคลน ทำอะไรก็มีความรับผิดชอบผิดก็ลงโทษถูกก็ได้รางวัลรับผิดชอบเป็นเรื่องความยุติธรรมสมควรได้ก็ได้ไม่สมควรได้ก็โอดเป็นไปตามขั้นตอนของสมบทบัญญัติเป็นไปตามขั้นตอนของกฎแห่งกรรมทําดีมันก็ดีทําไม่ดีมันก็ไม่ดีทํากรรมฐานก็อยู่เหนือดีเหนือไม่ดี มันก็ไม่ได้เป็นอะไรกับอะไรเราก็จะได้สัมผัสทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกตัวจริงๆตัวนี้ตัวนี้แหละที่มันหลอกตัวเองกันไม่ได้เวลาเจอก็สอบเจอโจทย์มันเจอหน้าที่การงานมันก็จะพิสูจน์ถึงลักษณะของความสําเร็จเป็นประโยชน์ต้นประโยชน์ต้นะหรือว่าเป็นความปลาสุขะ ส, สวยรวยดีนะความงามงานทําให้งามอะไรก็ตามมันก็คือความจริงในโลกใบนี้ที่เราจะต้องผ่านนะเราจะต้องเรียกว่ามีประสบการณ์ตรงของกายของเราอารมณ์ปฏิบัติจริงๆแล้วมันก็จะเหมือนกันทุกคนนะไม่ว่าเป็นวิธีการใดก็ตามเราก็จะเห็นว่ามันมีความคิดนะก่อเกลียนแน่นอนนะจะมีตัวลักขโมยคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดนะมันจะปรากฏผุดโปลอกขึ้นไา มีความชัดเจนมากแต่เรามีความรู้สึกตัวเป็นปกติอยู่เคยเปรียบเทียบมันก็น เ, นเหมือนกับการที่เราใส่รองเท้าเราสัมผัสรองเท้าเดิมทีเราไม่ได้ใส่รองเท้าเราก็สัมผัสกับก้อนกรวดนี่้เดิมทีเราอยู่กับโลกเราสัมผัสการลมเราจมอยู่กับลมจมอยู่ในอารมณ์มันไม่ใช่แค่จมอย่างเดียวมันจมลงไปได้แช่ด้วยนะอยู่กับอารมณ์ แต่พอรามันได้มาใส่รองเท้าอย่างเงี้นะเราก็มีความรู้สึกว่าเออออกมาจากอารมณ์มันมีสติมีสมัมผัสยามีความรู้สึกตัวมันเคยทุกข์เคยมีปัญหาสุขสุขทุกทุกแต่ตอนนี้มันปกติอยู่มันเคยเ ด, ดินก้อนกรวดเคยโดนน้ำโดนแผ่นดินเดินเศษไม้เวลาไม่ได้สวมรองเท้าแต่ตอนนี้มันสวมรองเท้าอยู่มันก็เออรู้สึกนุ่มๆ ฝ่าเท้าช่วงใดช่วงหนึ่งมันมีหินเข้ามาในรองเท้าล้วนมีน้ำตามรองเท้าทะลุผ่านมาตรงไหนที่มันสัมผัสก็สะดุ้งเลยและ่ะถึงนิดเดียวเถอะมันชัดเจนมากสะดุ้งเลยสัมผัสความรู้สึกนี่อันนี้ก็เปรียบเหมือนเวลาเราผิดปกติสัมผัสกายลมในจิตมันก็สะดุ้งเลยเหมือนกัน มันจะสะดุ้งสัมผัสร้อนปั๊บมันกลับมาเลยะตันหาอุปทานวะนมันกลับมาทันทีมันไม่ยึดหรอกเพราะว่าบันคนละมิติกันนอีกมิติหนึ่งเป็นมิติของความทุกข์อีกมิติหนึ่งเป็นมิติของความพ้นทุกข์มันคน ล, ละมิติเมื่อจิดเรปกติอยู่รู้สึกตัวอยู่กับการเคลื่อนการไหวนั่งเดินยืนนอนทําหน้าที่กิจวัตรประจําวันต่างๆนะ อันนั้นก็เป็นการแสดงของเรียกว่าธรรมะธรรมชาติต่างๆให้เราได้ดูเมื่อเราดูเราเห็นเราก็จะได้ไม่เข้าไปเป็นถ้าเป็นก็เป็นไม่นานเรารู้ว่าน้ําตามเราก็ต้องเอาออกเรารู้ว่ากอนกรวดนะครับมาในฝ่าเท้าของเราทั้งๆที่ใส่รองเท้าแล้วเราก็ต้องเอากอนกรวดออกเมื่อเราแตะแล้วนะตัวซารจริดโมหาจริดลาฆาจริด โทสาคีโมหาขีราคะคี่ขคือไฟมันร้อนมันเราแต่อารมณ์แล้วมันร้อนมันก็กลับมาคืนสู่สภาวะปกติตรงนี้แหละมันจะให้โกรธได้ยังไงมันจะให้โลภได้ยังไงมันให้รักให้ชังได้ยังไงมันอยู่การทําหน้าที่แสดงออกเป็นหน้าที่ทางกายว่าจใจหยิบเอาธรรมธรรมชาติมาใช้เป็นกุศลธรรมกุศลธรรมก็หยิบมาใช้ เป็นเตโชไฟเป็นความโกรธนะเป็นลนักษณะของการแสดงออกนะเพื่อเป็นการเรียกว่าแก้ไขอันนั้นก็เรียกว่าพระเ ด, ด, นะะเดชเตโชไฟมาใช้ก็เหมือนไฟมาคงต้มนะมันก็เกิดประโยชน์ทำอาหารปรุงมันก็สุกนะทำให้ค่าพยาธค่าเชื้อโรคต่างๆนะทำให้สุกนะบางทีมันก็ ปรับเปลี่ยนรดชาติภายในอาหารทำให้เรารับประทานได้อย่างเรียกว่าคล่องคอนะเข้าสารดิบๆทำให้สุ่กันนิ่มเคี้ยวเกินก็ย่อยง่ายนะนก็หยิบ ม, มาใช้ประโยชน์พลังงานความร้อนต่างๆหยิบมาควบคุมใจกลกต่างๆเป็นพลังงานทางธรรมาชาติแกเงีนะ้จริงๆมันก็คือรู้จักใจมันก็ดีปรมนูนิวเคลียร์ ก็คือมีสติปัญญาเกี่ยวข้องก็ทํางานทําการทําหน้าที่ได้อย่างก่อประโยชน์ตอนประโยชน์ตั้นต่อไปที่นี้ลักษณะของความเย็นความเย็นก็ถูกหยิบ ม, มาใช้เรียกว่าพระคุณเมตตากรุณาเมตตาเบี้ขาวนี่นะถูกหยิบ ม, มาใช้เป็นพระคุณพระเดชพระคุณก็คือพระทั้งคู่จะร้อนจะเย็นก็เป็นพระได้ ยังมีคำพูดว่าเออร้อนในทําการความร้อนในเตาเผาเหล็กนมันก็จะมีนิพานอยู่และนองความร้อนถูกหยิบมาใช้เราก็สังเกตได้มันก็เกิดปัญญาเหมือนกันมันก็จึงเกิดการใช้กายวาใจออใช้กายวาจาแล้วก็จิตใจของเรานะี่เป็นลักษณะของธรรมชาติกายก็ถูกนั่งเดินยืนนอนถูกหยิบใช้หันซ้ายแลกวา่า มันจะไม่เก๊กไม่เก่งอันนี้เราต้องผัดได้จากการที่เราเคลื่อนไหวรู้สึกนะีมืนจะเกิดเทคนิคทักษะขึ้นมายกแล้วก็ไม่เก๊ ก, ไ ม, ก, กไม่เก่งไม่เพ่งไม่จ้องไม่จี๋ไม่รู้สึกว่าทำแล้วก็เหมือนถูก บ, บ, บังคับเหนื่อยใจแต่ว่าใหม่ๆมันก็จะเป็นอย่างนะั้นนะเพ่งๆเก๊ ก, ก, กๆบ้างอันนี้เป็นอาวุธจัดของผู้ใหม่อารมณ์ปฏิบัติใหม่ๆมก็จะเป็นอย่างนะั้น จะทำไปทำไปหลายๆวันก็ผ่อนคลายออกผ่อนคลายออกแต่ถ้าเราไม่มีสติมีความพอดีมันก็จะหลุดหลงไปทำพฤติกรรมตามความเคยชินที่เคยทำมาตามจริตนิสัยที่เราเคยชินเคยทำมามันจะไม่เกิดความพอดีจะเกิดความประมาทได้เมื่อเกิดความประมาทมันก็ไม่รู้สึกตัวนะเรา ก, กลับมารู้สึกตัวใหม่ ทุกครั้งที่เคลื่อนไหวรู้สึกมันก็จะเกิดลักษณะของการ ร, รู้ตรงกับปัจจุบันตรงกับความเป็นจริงขึ้นมาใหม่ก็จะเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็จึงต้องปรับเปลี่ยนยีบทใหม่ๆอยู่ตลอดตอรับผู้ใหม่นะถ้าเป็นคนเก่าก็จานานมันก็จะทะลุละผ่านกายเวียนติดตามนะในขณะจิตเดียวขณะจิตเดียวขณะ จ, จิตเดียวเกิดพลังไปเรื่อยๆ ตนี้จะเกิดความรู้สึกมันไม่ได้เหมือ น, นไม่ได้ทําอะไรนะเฉยนเฉยๆนั่งเดินยืนนอนเฉยๆเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดานี่แหละนะแล้วก็จะเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันที่ยิบเลยมันเป็นความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจตรงนี้โดยเฉเพาะนะก็จึงเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนะึกนะเวลาคิดนะึกเกิดการปรุงกันแต่งเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็สัมผัสมันก็เกิดความฉลาดทั้งแต่หยาไปหารละเอียดนะ ตามกําลังของสตินน้อยนแล้วก็มากขึ้นจนเป็นมหาสติต่อไปตรงนี้แหละพิสูจน์ได้แล้วก็ท้าทายได้ใครทําใครก็ได้แล้วตรเนี้เป็นเรื่องของใครของเราแล้วตรเนี้ยมันก็เกณฑ์กันไม่ได้ชักจูงกันอะไรก็ยากนะนอกจากเราเกิดแรงบันดาลใจของเราเองก็คือมันเห็นทุกข์ถ้าเราเห็นทุกข์เราคิดจะต้องก้าลวลงออกจากความทุกข์ก็ต้องหาเหตุแห่งทุกข์ ก็ต้องมาฝึกหัดไปวฏบัติธกัน